ฮะนอนช้าเนี่ยแค่เนี่ยหรือหลับทำได้ไหมสองอย่างเนี่ยจะซ้ำเติมตัวเองแล้วก็หาประโยชน์จากจากความทุกข์ฮะทำได้สองอย่างเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเราประสบการณ์ทั้งหลายที่เจอเจออ้าวเชิญเลย ถามได้ทุกเรื่องแต่อาจจะตอบไม่ได้ทุกเรื่องแล้วใครมีคำถามมีไงนี่บาโครงงานทำโครงงานทุกคนใช่ไหมเสรีอ่ะโครงงานเราก็อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาคนคนละโครงงานหรือว่าเป็นกลุ่มขของน้องทาเป็นกลุ่ม ไอ้ของน้องทำเดีียวน้องคืออะไรน้องคือมอสี่น้องคือมอสี่แพี่อะทาเป็นเรามาช่วยกันทำพี่มอห้าครับผมทาเรื่องอะไรของเราทาเรื่องสมุนไพรที่พบตามทางพบตามทางก็จำได้หมดได้ป่ะก็จดนะจำไม่หมดจดได้ไม่กี่ชนิดตกลงที่พบยังไม่ได้นับเลยค่ะหลายร้อยอ่ะจริงอ่ะ มีของปีที่แล้วด้วยรู้ว่าตุ่มนี้ท่านท่านรูมหมดเลยเหรอครับใช่ก็ส่วนใหญ่ท่านเป็นรูมเออเขาที่เก็บไปถามถามเขาถามสิไม่ถามหัวเสียว่าง่ายมคำถามถามวพ่อถามไว้อะเร็วคิดขนาดทำหรือเรื่องว่าเอาไหนเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ได้นะชอบเดินช่วงไหนมากสุด ชมพังได้ไชอบชมพังเลยไงช่วงไหนอีกที่เดินช่วงเดินน่ะช่วงเดินชอบชอบเดินช่วงที่แบบเป็นถนนใหญ่สมัยเพราะว่าพอเราเดินถนนใหญ่แล้ว้นมันเรียบแล้วมันก็เราเดินถนนใหญ่แล้วได้เห็นแบบด้วยควานที่เขามีคนอยู่ในถนนใหญ่แล้วก็แบบมีบ้านเยอะไม่ได้เห็นแบบคนอนเีทำอะไรชอบสังเกตเวลาคนเขาทำอะไรคนอื่นน่ะลองเดินผ่านเดินทุ่งนาชอบไหมชอบครับ ชอบอ่ะชอบเป็นไงมองไปไกลมันดูสบายตาดีครับทุ่งดาเนทุ่งดาแบบนี้่ะก็เ้ด่ฮะก็เห็นเคยเห็นนะเวลาขับรถผ่านแล้วไม่ได้หยุดมองแต่พอเดินผ่านีช้าๆเางาไกลชอบในป่าีชอบเเดินในป่าชอบนะเดินเชอบ รนะไม่ล่มเหรอในป่านี่ล่มนะ่มเล่ม่มแต่ในป่านี่มีลำธารเย็นนะเย็นสบายในป่าในป่ามีลำธารด้วยในเมืองนี่ไม่เห็นนะลำธารน้ำตกนีมีสาวสวยเยอะฉากสวยสองเส้นทางนะ หลักหลายทั้งเขาทางทุ่งนาทางลำธารบอทางสวยี่ตรงต้นสนนะฮะที่เต้นสนอ่ะสวยต้นอไสย่สงยุเกาหลี <c oughs> นั่นก็สวยแล้วตรงทิวยูคาที่พูดถึงเมืม่อที่เมื่อวานเนี่ยนะฮะอูริมบึงอ่ ลมพัดท่านั่งรถติดแอร์ไม่ได้เจอแบบบรรยากาศแบบนี้ไม่เจอครับแล้วไม่รู้สึกเลยว่าพัดลมเย็นๆนี่มันมันวิเศษยังไงบ้างก็เหมือนปกติมาเดินเดินทุกที่ั ก็ปล่อยปล่อยให้มันหลับไป ค, คือคนคนธรรมดาเนี่ยยงยังยังแย่ยงทำไม่ได้ระหว่างรู้สึกตัวแต่กายพักคนธรรมดาเนี่ยรู้สึกตัวก็คือต้องตื่นกล้กายก็ไม่ได้พักแต่ว่าเท่าที่ครูบาอาจารย์ขเขาเล่าเนี่ ย, ยคือก็หลับเนี่ยก็รู้สึกตัวแต่ว่ากายมันได้พัก นี่มันเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากก็เมื่อคนบางคนก็บอกว่าเวลาเขาฝันเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาฝันนะใช่ไหมคนอย่างนี้มีจำนวนน้อยแต่ไม่ใช่เป็นคนพิเศษนะเป็นคนธรรมดาแต่ว่าเวลาฝันเขาจะรู้ว่าเขาฝันฝันชนิดที่เขาเรียกวรูสิตดรีมรูสิตดรีม แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่คนที่ต้องผ่านการปฏิบัติอะไรหรอกมันเป็นมันเป็นลนักษณะพิเศษของคนบางคนซึ่งก็มีเยอะนะอาจจะเป็นประมาณห้าเนตปร์เซ็ต์ที่เวลาหลับเนี่ย ก, ก็รู้วกเขาเขาฝันแต่ก็พยายามทคำความรู้สึกตัวบ่อยๆอย่างที่พูดนะเวลาทำอะไรเนี่ยทำด้วยใจเต็มร้อยแล้วก็หมั่นรู้สึกตัวบ่อยๆ คือบางทีเราทำเราทำอะไรเนี่ยบางทีเราจมเข้าไปในในงานเราอ่านหนังสืออะไรเนี่ยเราจมเข้าไปในหนังสือเ ค, คือ่อเฮลิคอปเตอร์อะ <c oughs> เป็นงนั้นหรืเล่นะ <c oughs> แล้วเล่นเกมเนี่ยบางทีเราจมเข้าไปอันนั้นคือสมาธินะ <c oughs> เล่นเกมก็มีสมาก็เป็นสมาธินะ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเราจะลืมเราจะลืมเว ล, เวลาลืมเวลาหลับเวลานอนลืมทํากันบ้าน อันนี้เราไม่รู้สึกตัวสมาธิมีแต่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวมันยังไม่ใช่มันยังไม่มันยัง ไ, ไม่ใช่สมาธิที่ดี <c oughs> <c oughs> ทำอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกตัวแล้วก็มีสมาธิกับสิ่งนั้นด้วยเอาเชิ่ <c oughs> <c oughs> เ, เวลาเนี่ยนะสามารถจะช่วยเยียวยาบรรเทาความโกรธได้แต่ความรู้สึกผิดเนี่ยเวลาบรรเทาได้น้อยมาก30ปี40ปีก็ยังก็ยังสามารถจะคาใจได้ถ้าเราจัดกงางัมันไม่ถูก เช่นไปกดข่มมันเอาไว้ไม่อยากคิดถึงมันก็คือการกดข่มนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกผิดเนี่ยเราพยายามดูมัน <c oughs> เรายอมรับมันเรารู้สึกผิดแล้วเราเป็นทุกข์เพราะเรายอมรับการกระทํานั้นไม่ได้การกระทําของตัวเองนั้นไม่ได้และเรายอมรับตัวเองไม่ได้ด้วยว่าเราเคยว่าเราทําอย่างนั้น ทำไมเราแย่แบบนั้นเรายอมรับตัวเองไม่ได้เรายอมรับ ก, การการะทานั้นไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มยอมรับมันสุดท้ายลืมค่ะขออนุญาตใช้เสียงอีงนิดหนึ่งสุดท้ายคือลืมอาชาติะคา่ะตบมือให้อาชาตด้วยค่ะผแดกรับส่งขอบคุณค่ะยอมรับยอมรับ ก, การการะทานั้น <c oughs> แล้วจะดีขึ้นนะถ้าเกิดว่า คนนั้นยังอยู่และเรากล้าที่จะไปขอโทษนะหรือถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เชิญเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าขอโทษอาจจะเขียนจดหมายถึงเขาก็เรารู้สึกอย่างไรตอนที่เราได้ทำผิดพลาดหลายคนทำแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ ไอ้พวกเนี้ยกดข่มไม่ได้นะกดข่มเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังยังมีเสี้ยนอยู่ต่ำเท้าอยู่ยังไงก็ถึงแม้แตายเมื่อไหร่ก็เจ็บเมือนั้นนึกถึงเมื่อไหร่ก็ทุกขมนั้นแต่พอเราพอเราเคลียร์มันไปได้เนี่ยนะนึกถึงทีไรก็ไม่ทุกข์ละไม่ไม่รู้สึกผิดลองทำดูนะ นี่ก็ก็แปลกนะมันก็มีหลายคนที่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็ บ, บางคนที่ไปสถานที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเคยมาสถานที่นี้แล้วนะเรียกว่าเ <c oughs> ดชาวูไอ้พวกนี้เนี่ยเราก็อธิบายไม่ได้แต่เป็นไปได้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเนี่ยบางคนก็มีการอธิบายเวลามันไม่ได้เดินทำเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเราเชื่อเวลาเดินทำเป็นเส้นตรงคืออดีตปัจจุบันและอนาคตใช่ไหมถ้าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่มีทางที่จะรู้อนาคตได้เพราะว่าอนาคตอยู่ข้างหน้า แต่บางครั้งอนาค็อาจจะอาจจะหวนอาจจะย้อนกลับมาก็ได้เวลาอาจจะไม่เป็นเส้นตรงในความหมาย เ, ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะารับรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากแต่ว่าก็ไม่สำคัญทั้งก็ว่าพยายามทำปัจจุบันที่ดีที่สุด และอย่าให้ไภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมารบกวนเรามากเพราะเราแยกแยะ ไ, ไม่ออกหรอกว่าไอ้สิ่งที่เราฝันเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าเป็นแค่มโนไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาจริงกัาจังกับความฝันทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าเราแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนจะเป็นสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าทำปฏิบัติดีสุดก็แล้วกัน เราคือบางเราถ้าสมมติาแบบตราสมุดสมมตฝันใช่ไหมฮะเราสมมติว่าเหมือนเรารู้ว่าเราฝันเชรแล้วแบบเราเหมือนเราไม่มีตัวตนในความฝันอ่ะเหมือนเรารู้ว่าแบบเราอยากบินเราก็บินเราอยากวิ่งเล่นเราก็วิ่งเล่นแบบมีความสุขอ่ะเหมือนแบบเราเรามีตัวตนจริงในความฝันของเราครับเหนแถ้าเช่นแบบเรื่องไหนน่ากลัวแบบฝันน้ําอผีอย่างเงี้ยอยากเลิกฝันก็เลิกฝันเลยก็หยุดตรงนั้นเลยหรือว่าเรื่องไหนที่แบบอยากมีความสุขจากฝันต่ออะไรเงี้ยอยากวิ่งอยากกระโดดอยากอยากบินอะไรเงี้ยฮะก็แบบ อินเหมือนอิสาระเหมือนเราเขาคุมความฝันเราได้เงี้ยะคือเราผิดปกติป่าแบบเรากำลงังไม่ผิดปกติสติ <c oughs> ไม่ผิดปกติก็อ <c oughs> าจจะมีสติอยู่บ้างในระดับหนึง่งทําให้เราสามารถที่จะจัด ก, การความฝันได้บางคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีสติก็จะฝันเลยเปืือยไปคุมไม่ได้ไม่ผิดกติบางชั่วงมันเป็นไปจนแบบคิดว่ากับเรา สนใจสนใจตอนตื่นี่ค่ตอนนี้ฉันกำลังสภาพตื่นตอนตื่นว่าเราเกิดมาคุ้มความคิดเลือกซลกหาามรู้สได้หรือเปล่ารได้ทั้งหมดเราจะนำเข้าที่วัดนี้นะคะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็จะเลือกกระตาสบายห้าบาทสิบาทนะฮะหรือว่าเป็นกาลรกบุญนะครับเพืจะทำแนั่งสมาธิแล้แบบจุๆก็หลับตลอดเลยครับวิธีแก้ไหมครับ ก็ลุกขึ้นมาเดินหรือแม่ก็เปิดตาปัญยามเปิดตาจุกแล้วถ้าเกิดไม่คุยก็หลับเลยช่วงนี้เป็นช่วงปัญยามอยู่มีวิธีอ่ะเดินเดินอีกเยอะผมว่าเทียนท่านก็ใช้วิธียกมือไม่ให้หลับเปิดตาแม่งคนจะหลับหรือไม่ก็ติดสมอง คือติดสงบนี่ก็คือแบบนิ่งไปเลยใช่ไหมครับนิ่งสงบก็อยากได้ความสงบ อ, อ, อยากไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนั่งอย่างเดียว อ, อ, อยู่บ้านก็อ ย, กอยากอยู่บ้าน อ, อ, อยากจะมาอยู่วัดพวกนี้ปิดสงบติ ด, ต, ดติดอะไรก็ไม่ดีนะั่ะติดดีก็ไม่ดีออ <c oughs> นี่มาที่นี่นี่มีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีครับแต่ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไม่ใช้คืออะไก็ยึด ให้ปิดไม่ให้ยืดไม่ยืดทำได้ไม่ไหวทำได้อะทำได้ครับตาทำไมทาได้สื่อสัตครับซื่อสัตไม่มีไม่มีกิเลสตันหาเลยเหรอมีครับแต่ต้องหักท้ามใจเหักทามใจถ้าแอบทาแล้วเป็นไงใครก็จะรู้เราูทลไม่ใช่แอบทำใครก็จะรู้นะเรารูตัวเราดูจริงหรือเปล่า ไม่รู้ก็ไไม่ใช่หมายถึงว่าเพียงเพราะเหตุผลเนี่ย เ, เราถึงถึงไม่ทาเพราะตัวเร า, เ ร, ารู้ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวไงอาจารย์ชาลีก็ไม่รู้ไหมฮะฮะทุกวันเร า, ววาก็เล่นมาอยู่แล้วแค่สอาทิตย์ก็ไม่น่เป็นไก็หมายว่าวหยุดไปบ้างก็ได้คิดแง่ดีคือพักสายตายไมอยู่ะ เราจำป็นโผล่แล้วเราจับมือกันได้แล้วจึงไม่ได้ทำต่อไปแล้วก็พอหยิบขึ้นมาแล้วก็ว่าไม่เอานี่าดีะว่าไงนะไงคนอื่นว่าไงเอออืว่าไงไม่ทำอาจารยลิไม่รู้หรอกเล่นโทรศัพท์อะถามว่าอะไรอ่าถามว่าทไมโทรศัพท์น่ะไม่ใช้ อย่างที่ห้ามใช้อ่ะนะถ้าใช้ครูก็ไม่รู้หรอกเออหมดเหมดอ่าแล้วเออดีเร้เห็เห็นประโยชน์จากการที่เราไม่ใช้เขาประโยชน์เป็นยังไงเราครั้งที่แล้วที่มาเขาบอกว่าสุกได้ฝึกตัวเองว่าคืนถ้าเราใช้ไปก็มันฝึกอะไรอ่ะฝึกแวบห่างจากห่างจากข่าวสารข้อมูลนะครับที่ในโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วแฟนก็ไม่ห่วงเหรอไม่ห่วงไม่ห่วงแฟนเหรอไม่ไม่มีครับก็นี่น่ะ ห่วงแฟนแฟนก็จะเป็นยังไงแฟนก็ห่วงเราก็เหพ่อแม่เหมือนกันก็เหมือนเราอย่างผมมาครั้งเนี้ยก็ไม่ได้จําเป็นต้องมาเหมือนมาเราก็ตั้งใจมาฝึกอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่ควรทําฝึกอะไรอ่ะมาฝึกหักข้ามใจหักข้ามใจเอาข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังหรือว่าแอบใช้ แอบใช้ว่าโทรศัพท์มือถืออะฮะใช่ป่าทาไมไม่ใช้อะเออฮะพูดอะไรนะพูดอะไรเคยการณเคยพนามกัคาีแล้วก็มีเพื่อนที่แอบไปมว่าถอามว่านรว่าะนอั่ นะฮะใช้นมใช้นุมเลั่ลพ่ามาหรือใครแอบเล่นถั่ลผ้ามาเลยตอนนี้ยังไม่สายตอนหน้าพระเอ้ยอ่าอาไรอ่ะ เวลาใช้อะไรนะหรือว่าหรือว่าบริโภคหรือว่าเสบแล้วก็ตามมันต้องต้องเห็นทั้งข้อดีข้อเสีย โทรศัพท์มือถือเนี่ยข้อดีคนใครๆก็เห็นเยอะข้อเสียเป็นยังไงเนี่ยไม่ค่อยเห็นก็ต้องมองด้วยเหมือนกัเที่ยวห้างนะใครๆก็เห็นว่าเออมัน ม, มันมีข้อดีนะแต่ข้อเสียเป็นยังไงก็มองไม่เห็นคนไรทำอะไรก็ต้องรู้จักช่างดีกับเสียแล้วก็สามารถจะวควบคุมใจได้ถ้าเราก็คุมใจได้เราจะเป็นนายมัน ถ้าเราควบคุณไม่ได้มันจะเป็นนายเราโทรศัพท์มือถือนะเหมือนกับทุกอย่างอ่ะเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวใช่ไหมต่างกันไหมบ่าวกับนายเนี่ยเราอยากเป็นเป็นบ่าวโทรศัพท์หรือเป็นนายโทรศัพท์ถ้าเราเป็นนายโทรศัพท์คือเราใช้เมื่อจําเป็นต้องใช้ขาดมันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าขามันไม่ได้นแสงมันเป็นหนายเราละ่ะเราต้องเราต้องเลี้ยงดูมันดูแลมันเป็นท่าของมันเนี่ยอันนี้ไม่ถูกแล้วเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเป็นเบาที่ดีเป็นนายที่เลวโอ้แล้วนะ ไ, ได้ยินหรือเปล่าข้างหลัง อ, ะอ่ะฮะได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเหรอ ผมพูดมาทั้งหมดนี้ข้างหลังไม่ได้ยินเลยอ่ะนั่งทำรีเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้ยินเลยอ่ะอันนีอะไรถามอีกคืออยากรู้ว่าทสมุนที่จุบคนอะไรพระอะไรองค์เขาบอกว่าชาตินี้ที่เราเกิดมาเราเกิดมาเพื่อจุดใช้กรรมใช่ไหมครับแต่ว่าอยากรู้ว่ารู้ชาติแรกสุดเลยถ้าเราไม่มีกรรมเลยเลย เราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมเราจะใช้เองทำไมปการแรกคือว่าไม่จริงหรอกว่เาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นเกิดมาเพื่อสร้างกรรมด้วยสร้างกรรมดีก็ได้สร้างกรรมชั่วก็ได้ใช่ <plac off S 1> ไหมคนเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ากรรมในดีอย่างเดียวแต่เป็นเพราะกรรมในปัจจุบันชาติด้วยแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ถ้าเราสร้างกรรมดี อย่าให้กรรมเก่ามันผักดันชีวิตเราอย่างเดียวแต่ต้องใช้กรรมใหม่นำพาชีวิตเราข้อแรกเรต้องท้อใจนะคนร่ำเรืเกิดมาผู้ใช้กรรมเดียวนะผู้เจ้าเนี่ยเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสน์นี่ท่านไม่ได้ใช้กรรมท่านสร้างทนสร้างกรรมใหม่เด็ดคือสร้างบา ร, รมีบำเพ็ญบา ร, รมีใช่ไหมบา ร, รมี10บเนี่ยคืออะไรก็คือการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา แต่คำถามคือว่าชาติแรกเนี่ยชาติแรกเนี่ยนะมันนี้ต้องดียาวว่าชาติแรกของคนเราเนี่ยคืออะไรทุกวันนี้ยังยังยังบอกไม่ได้เลยว่าย้อนถอยหลังไปเนี่ยมนุษย์เราเริ่มต้นที่ตรงไหนเริ่มต้นตอนที่สอง0 0 0ปีที่แล้วหรือเปล่าตอนที่เป็นโฮโมซาเปียนหรือถอยหลังออกไปตอนที่เป็นโฮโมอิเล็กตัสโฮโมฮาบิลิสสองล้านปี หรือถอยล่างออกไปเป็นออสโตพิโลเคทัสแอฟริกันน่า <c oughs> คือตอนนี้ยังแยกออกมา ว, ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเริ่มต้นเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ <c oughs> คือเริ่มเริ่มแยกออกจากลิงอะ่ะ <c oughs> ใช่มั้ยแค่นี้วิทยาศาสตร์ก็ยังนักโบราณคดียังเถียงอยู่ น, นั่นแหละเรียกว่าพวก บ, บ, บ, บ, บพัพพชีวินขอสวัสดียามเช้ า, ชากับสมาชิกธรรมญาตตระลานะครับ เสียงที่ท่านได้ยินเป็นเสียงพิมพ์ของการรับส่งทีมธรรมสมาชิกธรรมญาตานะครับตับ ค, คืนสู่ภูมิลําเนาในเบื้องต้นเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์รอบๆ บ, บริเวณสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะยังมีสินค้าจากแลสินค้าราคาถูกก็มาเริ่มบริกา ร, า เ, รเสื้อที่ระลึกของธรรมญาตาก็กาลังบริการ และที่มีเพิ่มเข้ามาก็คื อ, อของคุณอ้วนป้าอ้วนเป็นเรื่องของแชมพูสระผมมกกะกรูด ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นแชมพูสระผมมะกรูดอย่างเดียวใช่ไหมแตลบ้าจำหน่ายนะครับผลิตด้วยมือตัวเองปลอดสารเคมีนะครับเป็นแชมพูมะกรูดที่ปลอดสารเคมี แล้วก็ติดติดกันก็จะเป็นจากกลุ่มชมลมสมุมนไพรตําบลท่ามะไฟหวาน <Okay. S 2> นําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสมุนไพรอีกเย็นลยหลายๆอย่างก็มาวางจำหน่ายเพื่อให้สั้นได้สามารถซื้อกลับบ้านเป็นที่นั้นลึกหรือเอาไปใช้ <Yes. S 2> ก็ตามสะดวกเลยนะครับ <Yes. S 2> แล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้กรฟเาือกอนปิ น, น oh. ที่มาจาก oh. บ้านไร่แสนลัก อันนี้มาช่วยงานธรรมญาตาอย่างเต็มที่ตามทุกวางทุกจุดเอาน้ำปนะมาบริการทุกที่ทุกจุดของธรรมยาตาพักนอนมีโรตีเจ้าภาพโรตีของวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับอ๋อเจ้าภาพโรตีวันนี้ก็คือของคุณพี่สมสิกรนั่นเองตอนนี้ก็สมัครเขมื่งช่วยทีมงานอภัยอาหารอยู่ก็มา